สวรรค์นในอกในรกในใจสองสวรรค์ น, นรกในโลกปัจจุบันที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าสสวรรค์ น, นรกที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเป็นเรื่องของอีกโลกหนึ่งต่างหากต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องสวรรค์ น, นรกตามที่จำแนกประเภทไว้นั้นโดยลำดับประเภทที่หนึ่ง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 นานบ้างไม่นานบ้างตามควรแก่โทรานุโทษและทนองเดียวกันเราก็คงได้เห็นผู้ประพฤติเป็นพลเมืองดีไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอุตสาหะทำมาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐานมีความเป็นอยู่ดีมีบ้านมีที่ดินและยวดยานภานะใช้สอยพรั่งพร้อมผาสุขไปด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งที่ปรารถนาผู้เช่นนี้เมื่อเทียบกับนักโทษ ด, ดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่า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 อันต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมจึงสามารถรู้เห็นได้นักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจในปัจจุบันคือในขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเช่นดรทาวเลสดรไทเลว์ดรคารลิงตันดรซดเรเฮิงเกอร์แห่งอังกฤษและด็รไรแห่งอเมริกาได้พยายามพิสูจน์ความสามารถในเรื่องที่พยายจักษุหรือตาทิพและเรื่องเจโตปริยญาณการกาหนดรู้ใจผู้อื่น